ถ้ราระปิจยิวุตาเยิปาลาเยะจันณิตาอัตตาเจวะทลิตาจะสพมิมจุปรายนาสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจน ล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนผ้าชนะดินที่ช่างมอปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สูงแล้วและยังดิบอยู่ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชนใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้า ฉะนั้นในเวลาเป็นยามสุดท้ายในราตรีเมื่อทตอมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาทำสมาธิกันเตมฟังวันนี้เราจะเจริญมรณสติที่ ด, ดูนะ้าเรานอนไปโอ้รู้สึกตัว ตื่นขึ้นมาได้ในวันนี้นี่มันมหาสจัจธรรมมากแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ตายไปตอนที่เราหลับหลับนี่มันก็เหมือนว่าตายแล้วนะสกิทก็ไม่รู้เรื่องเรียกก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตายแต่ว่าฟื้นขึ้นมาได้โอ้อดจากความตายไปอีกวาระหนึ่งคืนหนึ่งนี่ เออมันน่าสนใจหมายถึงหน่าที่จะระลึกถึงหมายความว่าเราควรจะมาไตร่ตรองใคร่ครวญในเรื่องนี้กันดูคือมาเจริญมรณาสตินั่นเองมรณาสติไม่ใช่คิดแต่ว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายแต่คิดถึงว่าเราจะอยู่ยังไงต่า ง, งอากไม่ได้เป็นการมองโลกในแง่ร้าย พี่ว่าโอ้โฉันจะต้องตายฉันจะต้องตายแต่มารดานะสตคิคือการยอมรับความจริงถึงความตายแล้วตั้งใจที่จะอยู่ให้ด้วยความดีมันคืออยู่อย่างดีนั่นเองไม่ได้คิดแต่ว่าจะตายโดยเบือบ้องต้นเบื้องแรกก็มาฟังเรามาดูที่กายของเราเนี่แหละ เพราะว่าความเกิดหรือความตายมันก็อยู่ที่กายกายนี่ก็เกิดขึ้นมากายนี่ก็แตกตายไปกายคนเรานั้นมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดจะเริ่ใหญ่โตขึ้นมาได้ก็ไดยท่านให้มีอาหารมีน้ามเมตตาเลี้ยงดูมารักษาเวลายามป่วยไข้ ให้คอยประกอบประงมสั่งสอนเติบโตมาแล้วจากเล็กเกนี่สัตว์ที่เกิดในคันกอรวิวาคันทั พ, พะมาปฏิสนธิในคันของมารดาเกิดเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดใหญ่ขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงดุบฟังนี่คือลักษณะที่ว่าไม่เที่ยง จากไม่มีแล้วเกิดมีนั่นคือไม่เที่ยงแล้วเวลาคงอยู่ตั้งอยู่ลักษณะของมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นคือไม่เที่ยงแล้วมีอยู่คงอยู่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความตายมีความดับไปเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าด้วยเหมือนกับพุทธพจน์ที่ยกไวตั้งแต่ตอนต้นเรามาพิจารณาเพื่อที่จะยอมรับความจริง ยอมรับความจริงว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายนั้นมีมากทั้งหมดฟังโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเวลาอย่างนี้นแหละที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนตรงรอยต่อนี้มีความสำคัญเวลามันจะเกิดปัญหาหรือได้ปัญญา มันจะบริเวณรอยต่อนี้อย่างเช่นปัญหาเวลามันจะเกิดกับรอยต่อของผ้ามันก็จะเกิดตรงตะเข็บเพราะว่าตะเข็บนั้นเป็นจุดรอยต่อของผ้าสองผืนมาติดกันปัญหาของตะเข็บมันก็คือขาดไงมันก็จะขาดอยู่เรื่อยบริเวณรอยต่อจะเกิดปัญญาตรงตะเข็บรอยต่อของผ้าหกเย็บสองชั้น เย็บด้วยได้ชนิดนี้ปัญญามันก็เกิดขึ้นไงรู้จักป้องกันในการที่จะขาดร้อยต่อระหว่างถนนก็คือทางแยกรถมันจะชนกันจะมีปัญหารอยต่อนี่สี่แยกนี่สามแยกนี่ทงทางโค้งนี่มักเกิดอยู่เรื่อยรถชนรถตะลายมันจะเกิดบ่อยๆ รอยต่อระหว่างกำแพงของบ้านเรานี่เขาก็คือตรงช่องตรงประตูตรงหน้าต่างขโมยก็โจรจะเข้าก็ตรงรอยต่อนี้ปัญหามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาจะเกิดได้ก็เกิดตรงนั้นนี่เหมือนกันกว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรอย่างไรแม้แต่ร่างกายของเราในธรรมังมันก็เกิดจากเซลล์อะไรต่างๆมาประกอบกัน เป็นหลายๆส่วนมาต่อๆกันเซลล์มันก็คือพวกไฮโดรคาร์บอนและมันมาเชื่อมต่อกันโมเลกุลของเขาเป็นเซลล์ประเภทนี้ทำหน้าที่นี้เป็นอวัยวะนี้อวัยวะนี้ก็เชื่อมไปกับอวัยวะนั้นเชื่อมกันไปต่อกันไปก็มีต่รอยต่อเต็มตัวไปหมดอะส่วนของระบบหายใจก็ไปต่อกับระบบเลือด ส่วนของระบบเลือดก็ไปต่อกับระบบการย่อยระบบการเคลื่อนไหวก็ไปต่อกันกับระบบน้ำเหลืองเชื่อมต่อกันไปหมดจุดที่มันจะมีปัญหามันก็เกิดขึ้นได้หมดให้เห็นความจริงนันว่งให้เข้าใจความจริงว่าร่างกายของเรานั้นมันตายได้เกิดมาได้แล้วก็ตายได้ ความตายนั้นมีกับทุกคนแน่นอนขึ้นไปไวเหมือนกับหมอ้อภาชนะดินที่เขาปั่นขึ้นจากดินเป็นหมอ้อเป็นถ้วยเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าที่จะผ่านความร้อนสูงแล้วแข็งแรงแล้ว หรือว่ายังไม่ได้ผ่านความร้อนดิบๆอยู่สีสันยังไม่สดสวยตางล้วนมีความแตกตำลายเป็นที่สุดเหมือนกันว่าชีวิตเรานี่มันก็ตายได้ประเด็นคือตายได้แล้วแล้วยังไงตอนนี้นยังไม่ตายใช่ป่ะปร ะ, ะ เ, ปเด็นคือมันจะอยู่ยังไง จะอยู่ยังไงตอนที่ยังไม่ตายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดถึงความตายเราจะอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทเนี่ยมันจึงเสียชาติเกิดเกิดมาแล้วไม่เข้าใจความตายอยู่ด้วยความประมาทเสียความที่ได้เกิดมาจริงๆมันเสียประโยชน์เสียได้ของแต่ถ้ารู้จักว่า เกิดมาแล้วมันยากมีความตายเป็นที่ไปถึงแล้วอยู่อย่างดีใช่ไหมอยู่อย่างดีคืออยู่อย่างไม่ประมาทเข้าใจชีวิตว่ามีความเกิดความตายอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วเอื้อมคุ้มค่าที่ได้เกิดได้อยู่การพิจารณาในข้อนี้จึงมีความสาคัญทุกประ เลยเรียนไปทีละประเด็นเริ่มจากกายของเราแล้วยอมรับความจริงว่าจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของเวลามีเหตุปัจจัยแห่งความตายมากพิจารณาตามนะั้นทั้งว่งนะร่างกายของเราเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทเพื่อให้เกิดความเข้าใจนั่นคือเกิดปัญญาได้หนึ่ง เกิดปัญญาความเข้าใจจะา ก, การตั้งสติไว้ไม่เพลิญไปในชีวิตการเจริญบรณสตินียจะทำให้เราไม่เพลิญไปในความเป็นอยู่ไม่เพลินไปในเดี๋ยวไปกินนั่นเดี๋ยวไปหาคนนี้เดี๋ยวก็เดินทางเดี๋ยวก็ทำนั่นทำนี่ืางทีไปเที่ยวไปกินบางทีไปดูไปเล่นนี่คือลักษณะที่ว่าชีวิตมันเปลี่ยนไป หมุนเวียนไปตามอิริยบททั้งสี่มีช่องทางให้เห็นให้ดูได้ทางอยายตนะทั้งหกชีวิตหมุนไปอิริยบทแล้วก็ช่องทางใช่ไหมถ้าเราเพลินไปในชีวิตหมายความว่าก็เพลินไปตามตาหูที่ชีวิตนั้นมันเหมาะหมเปลี่ยนไปตามอิริยบทต่างๆที่ร่างกายชีวิตนั้นหมุนไป เปลืนไปนี่หมายถึงทั้งสุขด้วยทั้งทุกข์ด้วยนะแต่สุขมากก็เปลิอนได้แบบสบายหน่อยแต่ทุกข์มากก็เปลินได้แบบทนได้ยากหน่อยแต่คนที่มีสุขหรือทุกข์เปลิอนไปในตาหูในร่างกายทั้งหมดนั้นก็จะนาให้เกิดความประมาท อยู่ด้วยความประมาทนี่ทําอะไรได้บ้างอะอยู่ด้วยความประมาทแล้วมันก็ผิดศีลก็ได้เบียดเบียนคนทางกายทางวาจาก็ได้หูดโกหกลักทรัพย์ขโมยได้อยู่ด้วยความประมาทแล้วสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมโหนี้เบียดเบียดมากไม่ดีอยู่แบบนี้ขาดทุนไปมืดเลย ถึงแม้ว่าจะมั่งมีร่ำรวยมีรูปงามมีการศึกษาสูงแต่ถ้าอยู่ด้วยความประมาทไปทางมืดแล้วก็ตกต่ำขาดทุนนั่นคือไม่ได้เจริญมรณะสติเพราะว่าก็ตายเหมือนกันนะคนจะเจริญมรณะสติหรือไม่เจริญมรณะสติก็ตายเหมือนกัน คนจะอยู่ด้วยความเพลินด้วยความประมาทหรืออยู่ด้วยความไม่ประมาทสร้างกุศลธรรมก็ตายเหมือนกันแต่ก็ถ้าเมื่อจะตายเหมือนกันแล้วซึ่งตายเหมือนกันเนี่ยบางทีก็ด้วยเหตุการณ์เดียวกันด้วยนะคนอยู่ด้วยความประมาทบางทีก็เป็นมะเร็งตายคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทบางทีก็ถูกรถชนตายคนอยู่ด้วยความประมาทบางทีก็ กินอาหารติดคอตายคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทบางทีก็ถูกทำร้ายตายมีหมดทั้งบ่วงในทุกรูปแบบเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างตายเหมือนกันองคประเด็นคือว่าถ้าเขาตายเหมือนกันแล้วจะทำไมต้องลำบากด้วยอ่ะก็เพลิดเพลินพอใจสบายไงก็อย่างที่ว่าให้่านฟังว่าตะเพลิน ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนไปทางต่ำทำไมเพราะมันมืดทำไมเพราะว่าแต่เราเปลือยเปลนไปเราสร้างอากุศลไงอกุศลคือความบาปความไม่ดีมันจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไงตามตัวฝั่งนี้สิ่งที่เป็นกุศลเป็นความดีเป็นบุญ มือนจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะร่นี้มันคอมมนเซน์อยู่แล้วมันเป็นสามัญเลยเอาบาปก็ต้องให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขพระบุญเป็นชื่อของความสุขไงบาปก็เป็นชื่อของความทุกข์ไงความเพลินเป็นบาปเลยทุังความไม่ประมาทไม่เพลินเป็นบุญเพราะเราเพลินไปตาม อรีบที่ีบ้างเพลินไปตามอายตนะทั้งหกบางมันกุณสะสมบาไปแล้วเวลามันจะให้ผลมันจะให้ผลเป็นทุกนะคือพอเราเพลินไปในชีวิตมางคนจะคิดว่า้เอาก็เพล่มันก็ต้องสุกไงสุกยูตอนนั้นนะ่ะสะสมความทุกไปสิพอถึงเวลามันให้ผ ล, ม, ผลมันให้ผลเป็นความทุกกลับมาอีกนะทางข้างหน้ามันมืดนะ คุณอยู่สว่างตอนนี้ก็จริงนะแต่เดินเดินไปมันมืดเข้ามืดเข้าไม่ทันสังเกตตกหลุมหลุมนี่ถ้าสะดุดธรรมดามันก็ยังพอได้แต่ถ้ามันลุมลึกหน่อยน่ากระมังเลยนะแต่เป็นหลุมอุจจาระด้วยโอ้โหเปื้อนด้วยเหม็นด้วยก็มองไม่เห็นไงแเราจะตกไปทไําไมอ่ะออกไปทำมันสว่างมันเห็นหมดมันก็ไม่ตกไปละแต่นี้มันมองไม่เห็นมันมืดไง ตกลงไปแล้วเป็นหลุมอุชระโอ้โหเลยยิงค่ะเป็นหลุมที่เขาวางกำดักอาไว้มีมีดมีหอกมีเหลาอยู่ข้างล่างเจ็บตัวนะยิ่งแต่เป็นหลุมฐานเพลิงลึกเกินกว่าที่เราจะกระโดดเอื้อมถึงเป็นหลุมที่ไม่มีเปลวไม่มีควันเกิดร่วงลงไปขึ้นก็ไม่ได้ตายแน่นอนอยู่ในนั้นเราไปต่างมืดไง ไปทางต่ำไปทางที่ไม่ปลอดภยัยไปทางที่ไม่กเกษมนั่นคือประมาทในชีวิตทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่ได้พิจารณาเห็นถึงว่าจะตายคิดว่าจะมีแต่อยู่มีแต่จะเป็นจึงเกิดความเปลินความประมาทในการดำเนินชีวิตเอ า, าใหม่ดูฟังการพิจารณาความตาย ที่ว่าก็ต้องตายเหมือนกันนะทุกคนคนที่เพลินหรือคนที่ไม่เพลินก็ต้องตายเหมือนกันเนะี่ยแต่คนที่เขาเพลินหนึ่งชีวิตเขาไม่เห็นว่าความตายที่จะเกิดขึ้นเห็นอยู่แต่ไม่เข้าใจเห็นอยู่แต่ไม่เกิดปัญญาเห็นอยู่แต่ไม่ได้พิจารณาปัญญามันยังไม่เกิดไม่เกิดปัญญาจากการพิจารณาแล้วใช่ปะมันก็ไปมืดแทนว่า แต่คนที่เขาใช้ชีวิตนี่คือไม่เพลินไปในชีวิตนี่คือก็เห็นความตายเขาใจความตายด้วยจึงอยู่เป็นไงความตายไม่เว้นให้แก่ใครๆนะทุกฝังจะเป็นคนหนุ่มก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้คนฉลาดก็ตายได้คนโง่ก็ตายเหมือนกันโดยเหตุเดียวกันวาระเดียวกันแบบเดียวกัน อายุสั้นอายุยืนมีหมดนะมีความตายอยู่ข้างหน้าแล้วประเด็นคือจะอยู่ยังไงถ้ายังมีบาปกุศลธรรมพิว่าถ้าเมื่อตายไปแล้วจะทำให้ไปไม่ดีโอโอโอต้องรีบละเสียเลยรีบกำจัดมันออกเสียเพราะถ้าตายไปแล้วอาจจะเป็นช่องให้ บาปกุศลธรรมเหล่านั้นให้ผลไปไม่ดีได้นะแล้วตอนนี้ทำไมมันยังไม่ให้ผลมันเป็นเหมือนภาชนะเนี่ังำว่างคำเรียบไว้หมอ้อถ้วยชามคุณใส่น้ามันยังประครับประคองอยู่ดายยังไม่รั่วไหลหนีไปไหนชีวิตร่างกายการเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยคำวั ง, งมันเป็นลักษณะที่เป็นภาชนะ รกองไว้อยู่อย่างอื่นมันยังเข้าให้ผลไม่ได้น้ำสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาชนะอาหารยังถูกรักษาไว้ด้วยภาชนานี้เร้จึงยังมีความสุขยังได้เห็นยังได้กินต่างๆได้เพราะว่าพบมันรักษาไว้พบปกปิดไว้รักษาไว้จึงอยู่แบบนี้ได้แต่ถ้า ตายแล้วปุ๊บเนี่พบนี้พังทลายลงกายนี้แตกลงภาชนะนี้ถูกทำลายไปพบตั้งอยู่ไม่ได้แล้วจิตก็จะสแสวงหาพบต่อไปตรงนี้แหละที่ว่ารอยต่อระหว่างพบจะใม้มีผลของกรรมให้ได้สุขมากหรือทุกน้อยหรือทุกมากสุขน้อยหรือจะสุขจะทุกพอๆกันนันคือลักษณะที่ แตกต่างกันระหว่างมนุษย์เทวดาแล้วก็สัตว์นรกเรตสุรกายต่างๆคือแบ่งตามลักษณะกองเวทนาก็จะได้สามอย่างคือในลักษณะของมนุษย์ที่จะมีสุขและทุกข์พอๆกันในลักษณะของเทวดาหรือพรหมที่จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์มากๆและในลักษณะของอบายภูมิ มีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้จะมีทุกขเวทนามากกว่าสุขเวทนามากๆแบ่งได้สามลาักษณะร้อยต่อระหว่างพบจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งนี่แหละที่มันจะเป็นโอกาสของกรรมที่จะให้ผลให้ได้สุขหรือทุกขในสัดส่วนที่แตกต่างกันเป็นลักษณะของ ปรากฏให้เห็นทางตาทางหูก็เป็นสุนัขบางแต่เป็นสัตวเดรัานเป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นมนุษย์ที่เ่อียเปลี่ยเสียขาเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดหรือความโง่มีรูปงามหรือรูปที่ดูไม่ได้เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเหล่านี้คือลักษณะที่มีเวทนาน้อยหรือมาก กับทุกเวทนาที่เป็นสัดส่วนแตกต่างกันถ้าเพือว่าไปอยู่ในลักษณะที่เป็นภพเป็นภาชนะที่เป็นแบบนั้นมันก็ทุกข์ไงไม่ได้มองเห็นในเบื้องหน้าแต่ถ้าเรารู้เบื้องหน้าแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้อยู่ให้ดีไงอยู่ให้เป็นความตายนั้นขึรนบิดไวเหมือนกับประตูของข้อ วัวหรือควายหรือสัตว์เลี้ยงที่เขาล้อมคอกล้อมรั้วไว้ให้อยู่ใช่ไหมเวลาตอนเช้าขึ้นเราก็กจะต้อนมันออกไปไปไหนอะ่ะไปสู่ที่หากินหรอไปกินน้ำบ้างไปกินหญ้าบ้างเปรียบประตูวไว้กับความตายคือปากคอกสัตว์ทุกตัวต้องถูกต้อนออกไป ไม่เหลือใครไว้คนที่ต้อนเข้าไปก็นายโคบาลคนดูแลนั่นแหละก็คือความแก่ต้อนเข้าไปเวลาต้อนเข้าไปเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งความแก่ที่เกิดขึ้นทีละครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นัวกที่ต้อนสัตว์ทั้งหลายให้เข้าไปสู่ความตายวันเกิดวันหนึ่งที่เราฉลองเนี่ยนะ Happy Birthday to you เนี่ยเขาหลอกไว้เฉยๆหลอกให้แฮปปี้แต่จริงความหมายเลยคือคุณใกล้ความตายเข้าไปปีหนึ่งนะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งผ่านไปนี่คุณใกล้ความตายเข้าไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะคุณนอนตื่นขึ้นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นนี่เราใกล้ความตายเข้าไปอีกวันหนึ่งนะ เราหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งละครั้งนี่ลมหายใจมันเข้าไปเผาผลาญเซลล์เข้าไปให้เกิดความร้อนในร่างกายมีการสันดาบมีการเปลี่ยนแปลงนี่เราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งลมหายใจหนึ่งนะเอาเท่านั้นไม่หายใจก็นะไม่หายใจก็ตายเลยละไม่เกินอกนาทีก็จำเป็นต้องหายใจหายใจมันเผาไหมอะไมรมันก็ใกล้ความตาย ออแล้วจะยังไงเนี่ยก็ใช่เงจะจยังไงล่ะจะอยู่ยังไงล่ะอะไม่คือถึงคิดไงต้องพิจารณาไงก็ถ้าต้องตายหมดแล้วจะอยู่ยังไงล่ะถ้าคนพาลคือคนโง่ก็อยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความเปลอเปลินไปในสุขบางดุกบางแต่บัณฑิตคนฉลาดรู้ถึงความตายที่จะมาในเบื้องหน้าเขาตอนกันไปแล้ว ตอนก็ไปตอนไปเราจะตายอยู่แล้วนี่ภายในเจ็ดวันแน่นอนไม่วันจันทร์ก็วันอังคารไม่วันเพืเกิดก็สุขไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะมันพูดจะตายไหมตายได้แน่นอนวันอังคารด้วยไม่ว่าวันไหนในเจ็ดวันจันทร์ถึงสุขเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นตายได้แน่นอนภายในเจ็ดวันที่เราจะตายนี้ เราคุณจะอยู่ยังไงเราจึงให้พิจารณาว่าถ้าเรามีบาปกุศลแระทำเหล่านั้นอยู่ให้เรียบกาจัดเสียกําจัดยังไงพอเวลาก็ดับไฟที่กําลังไหม้ผมไม่เสื้อผ้าอยู่จะยังไงเราโทรเรียกดับเลิงโอ้ยกว่าจะไปหาโทรศัพท์โอ้ยกว่าดับเลิงจะมาโอ้ยจะไปพึ่งคนอื่นมันจะไปเข้าท่าไงเอาก็ทําอทเองหรือต้องไปหาน้ํา กแต่นะมันอยู่ใกลทายังไงก็ต้องเอาทรายเอาดินก็แต่แถวนั้นไม่มีทายังไงคุณต้องใช้ทุกวิถีทางอย่ดูฝังบางคนก็ล้มลงกลิ้งเกลือกให้ไฟมันถู ก, กับพื้นไปหรือบางคนก็ต้องตกต้องตีก็ใช้มือเอามือไม่ร้อนเหรอก็จำเป็นนะทุกวิธีทางทุกวิธีที่จะทำให้ไฟนั้นดับได้โดยด่วนด้วย จะไม่ใช่ว่ามารอขอให้คนนั้นมาหาก่อนหรือจะไปกินข้าวก่อนหรือจะเดินทางนั่นนี่ก่อนไม่เลยต้องรีบดับไฟที่ผมกําลังไม่บึ้มๆอยู่ที่เสื้อผ้ากําลังไม่เกรียมอยู่รีบทันทีทุกวิถีทางเสียงก็ต้องทำเมืองทีเจ็บส่วนอื่นก็ต้องย้อม จะกำจัดอกุศลละทาให้ออกไปจากจิตใจก็เราก็ต้องโดยโดวนแบบนี้เหมือนกันให้เรานึกถึงตั้งติไว้กับความดีของเราให้ได้แน่นอนเวลาที่เรานึกถึงความไม่ดีนั้นเป็นมิจฉาสติใช่ไหมละ่ะบางคนนึกถึงเรื่องดีๆอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยคนที่ฟังรายการธรรมะรับรุณอยู่เป็นประจำไม่เป็นแบบนั้นหรอกทุกฟังบางทีเราก็นึกถึงเรื่องไม่ดีก็ได้บ้างละแต่ ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงเรื่องที่เราทำความดีไว้ได้ก็มีให้ทานฟังเทศดูแลครอบครัวพูดสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาให้ hey, เหล่านี้เป็นกุศลธรรมทั้งสิ้นนะนึกถึงตรงจุดนั้นให้มันได้จะไล่น้ำเสียก็นอนน้ำดีให้มันไล่ไหลไปจะกำจัดสิ่งโสกครก ต้องเอาอะไรที่มันชะอาดเอาผ้าสะอาดมาเช็ดจะกําจัดความดําออกไปก็ต้องเอาความขาวเข้ามาชําระหลงังก็สิ่งสะอาดมากําจัดมันออกเอากุศลธรรมตัมบุฟังกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจใจคนนั้นออกไปแค่เพียงเรามาตรตรองเรื่องความตายเนี่ยกุศลธรรมมันเกิดขึ้นทันทีแล้วเลย กุศลธรรมสะสมขึ้นในจิตของเราทันทีแล้วเลยเราอยู่ด้วยความไม่ป ร, ระมาทในขณะนั้นทันทีเลยพอเรานึกถึงความตายปุ๊บประจัดตึกอึกขึ้นอ่ะอึกอึก อ, ก อ, กอกขึ้นนี่คืออยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วอยู่ด้วยความร้อนใจแล้วอยู่ด้วยความประมัดระวังแล้วร้อนใจนี่คือหมายถึงร้อนใจตอนนี้นะเพื่อที่จะ ไ, ไม่ต้องมาร้อนใจภาหลัง ร้อนใจหมายถึงมีความกระตือรือร้อนที่จะทำสิ่งมันดีเป็นกุศลตั้งใจมัน่นความกระตือรือร้อนนั้นหมายถึงร้อนใจนั่นเองหมายถึงตั้งใจนั่นเองหมายถึงจะคอยป ร, ประคับประคองดูแลเหมือนไฟนั่นเองถ้าไม่รู้จักใส่เชื้อระวัตรระวังลมไฟมันก็ดับได้ ไฟต้องรู้จักระวังให้มันไม่ดับในขณะเดียวกันถ้าไม่รอระวังในการจุดมันไปไม่อย่างอื่นพังเสียหายก็ได้ไฟก็ต้องคอยระมัดระวังถึงจึงใจกำมังร้อนใจอธิบายในข้อนี้ลักษณะของมรณาสติถึงให้เป็นการคิดการใกรกุวนคิดใรกรกวนแล้วมันจะเกิดปัญญา ปัญญานี่ไม่ได้ว่าอยู่ๆมันเกิดเองนะทุกฝั่งจะต้องเกิดจากโยนิสโสมานสิการโยนิสโสมานัสิการจะ ไ, ไม่เกิดปัญญาโยนิสโสมนัสิการคือการใกล้โครนไตรตรองโดยแยบคายไม่ใช่การคิดโดยทัท่วไปไม่ใช่ว่าเออเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนอะเป็นการโยนิสโสมนัสิการไม่ใช่หรือว่าฉันจะวางแผนนั่นนี่อ่ะการตลาดอย่างนี้คิดประดิษฐ์สิ่งนั้นน่นนี่ หนึ่งก็ยังไม่ใช่โยนิโสมานสิการโยนิโสมนัสิการคือการไตรตรองโดยแยกไข่ต้องมีระบบระเบียบของเขาไม่ใช่ไปจกคิดเรื่องอะไรก็ได้ระบบระเบียบนั้นก็คือการไตรตรองตามลักษณะของอริยสั์สีนั่นเองการไตรตรองตามลักษณะเหตุผลลักษณะความเกิดดับลักษณะความมีอยู่ความหายไปนั่นคือลักษณะของโยนิโสมานสิการ คือมีเหตุผลรู้เหตุรู้ผลรู้ความเกิดรู้ความดับมีเหตุก็มีผลเหตุดับผลก็ดับไตรตรองแบบนี้ปัญญามันจะเกิดปัญญาเกิดจากมรณะสติตรงทีว่ว่าเราตายได้คนเมื่อว่าแต่ทั้งคนดีและคนชั่วต่างก็ตายได้เกิดมาแล้วก็ตายทุกคนก็ั้างั้นจะเกิดมาทำไมให้เราก็นั่นนะสิ ถ้เราคิดใกล้โครตในข้อนี้นะเราก็จะได้คำตอบตามาทำฟังว่าเราจะอยู่ยังไงเกิดมาทําไมคือจะอยู่ยังไงในความเกิดที่มันมีมาแล้วต่างหากมันผ่านมาแล้วมไม่ใช่คําถามแล้วคําถามในทีน่นี้สิ่งที่ต้องสนใจคือข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วปัจจุบันจะเป็นยังไงอดีตมันผ่านมาแล้วเนี่ยมันคือเกิดมาแล้วทุกคนนะข้างหน้าก็จะลงตายทุกคนนะและปัจจุบันนี้จะเอายังไง คือจะอยู่ยังไงนั่นคือคำตามนะฮะอยู่ด้วยความประมาทมันก็เพลินมันก็เป็นบาปก็นาคตจะไปต่างมืดจะมองไม่เห็นแต่ถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่เพลินไม่เพลิน อ, อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่เพลินไม่เพลิน อ, อยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้ปีติและปราโมทย์เหมือนไปทางสว่างไงทุังเป็นทางที่จะเห็น ว่าไอ้มีหลุมมีบอ่อไหมตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อกลลบเอา้าไปทางที่มันจะไปได้เลาะๆไปตรงไหนที่จะเป็นหลุมลึกโอ้เห็นแต่ไกลแล้วก็ไม่เชี่ดเข้าไปตรงไหนจะเป็นหลุมฐานเพลิงเป็นกำดักไว้เห็นแต่ไกลแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงได้ตรงไหนจะเป็นที่ราบเรียบเสมอเดินสบายไม่เปียกไม่เลอะเทอะไม่เป็นอันตรายเราก็ไป สว่านิ้เนอย่างนี้มันเห็นได้ชัดเจนคนที่พิจารณาเห็นความตายคือมรรสสติก็จะไปทางสว่างได้ไปทางที่ไม่ประมาทได้ไปทางที่จะเจริญได้จะไปทางนั้นได้พิจารณาความตายดูใครก็รอดดูทุกคนตายแน่ใช่ไหมไม่วิธีการใดก็วิธีการหนึ่ง ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่ด้วยโรคใดก็โรคหนึ่งไม่ด้วยกับใครก็คนเดียวแนะ่ะคนหนึ่งบางที่เป็นหมู่บางทีเป็นคนเดียวเวลาการตายจะเกิดขึ้นตรงจุดที่จะตายที่ว่ามันจะเปลี่ยนภาชนะเหมือนภาชนะเก่ามันแตกออกจิตมันจะไปก้าวลงยังไงแต่วมันยังมีเหตุให้ต้องไปก้าวลงยึดถืออยู่ มันจะไปก้าวลงในภาชนะอันใดอันหนึ่งตรงจุดที่มันจะเปลี่ยนช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อของพบจุดที่จะให้ผลอะไรมันจะเข้ากันแน่บุญหรือบาปถ้ามีบุญมากโอกาสที่บุญจะให้ผลก็มีมากแต่ถ้ามีบาปมากโอกาสที่บาปจะให้ผลก็มากขึ้นตามโอกาสตรงนี้แหละที่มันจะเป็นช่วงวิกฤตที่ต้องรู้จักประคับประคองรักษาให้ดีในภายภาคหน้า รักษายัางไง ร, รักษาจากตรงนี้ตอนนี้ทําความดีใช่ไหมทําความดียังไงคิดถึงภายหน้าแล้วมันจะไม่ดีได้คิดถึงภายหน้าแล้วมันจะผิดพลาดได้คิดถึงภายหน้ า, น, า, ดดานั่นแห ล, ละที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้พอเราคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ทําความดีในปัจจุบันนงทท่านฟังไม่เกิ น, นในภายหน้านะคิดถึงเนี่ยทำความดีตอนนี้นะ คิดถึงวาจะตายทุกคนเหมือนกันแล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วปัจจุบันเราจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความดีได้ไงทความดีไม่ประมาทคือรักษาศีลนัน่นคือพูดจาที่ดีกันนัคือมีสัมมาวาจาแลคือมีการแบ่งปันมีการให้มีเมตตามีกรุณาอุเบกขาอยู่อย่างนี้เราจะเอาให้ละเอียด ตวามตายไม่ได้ชบอยู่แก่ว่าโรคอะไรที่ไหนกับใครยังไงพอตายแล้วด้วยเนี่ยนะกายเนี่ยมันทิ้งไปเลยนะเหมือนภาชนะที่มันแตกแล้วเนี่ยทำยังไงอะทิ้งทิ้งเลยกายเนี่ยดูสนะิใครเขาเก็บเอาไว้พอตายแล้วนี่เขาเอาไปใส่ห้องน้อ ย, อยห้อง น, อน้อยไม่มีประตูด้วยนะไม่มีหน้าต่างด้วยนะ แล้วก็ห้องนี่ขนาดเท่าตัวเราเลยนะกว้างนี่ก็แค่ศอกเดียวสูงนี่ก็แค่วาเดียวไม่ถึงช่วงระหว่างมือของเราบางคนก็หมถึงความสูงของมนุษย์นี่คือถ้าเรากางแขนยืดออกสุดปลายนิ้วกลางข้างซ้ายถึงปลายนิ้วกลางข้างขวานั่นคือความสูงของมนุษย์ก็เรียกว่าหนึ่งวากว้างหนึ่งศอกหนาหนึ่งคืบ เขาใส่ไว้ในโลงเขาเรียกว่าโลงเขาไม่เรียกว่าห้องคือเก็บไว้ในกล่องไงกล่องที่เขาส่งของมาสั่งออนไลน์อย่างต่างนี่มันไม่มีช่องไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างโอถ้าคนหรือสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในนั้นนะโอ้หายใจไม่ออกแน่นอนเอ้ก็ตายแล้วไงคนตายก็จึงเอาใส่โลงขณะบางคนนะเขใส่ลงแก้วใช่ปให้เห็นใช่ป่ะ เขาก็ไม่ติดอะไรที่จะระบายอากาศไปหรอกตรงฝังเพราคนธรรมดาธรรมดานี่นะไม่อยู่ในโล่งนะคุณจะอยู่ได้เหรอโอ้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าคนตายนี่ยมันอยู่ได้เพราะไม่บนแล้วไม่บนแล้วว่าจะโอ้จะทำไมมันมืดแท้ในนี้ติดไฟไว้หน่อยไม่มีเขาไม่แคร์เลยก็ไม่พูดถึงเลยเอามาให้ยใจยากแท้ติดแอร์หน่อยก็ใส่ลงเย็นไว้ใช่ไหมละ่ะ แพอจะเอาออกจากบ้านจะเผาเขาก็ไปใส่ลงธรรมดาแล้วเขาก็จะมาได้ใส่ลงเย็นไว้ตลอดแต่เวลาตายแล้วนะเขาไม่ฝังก็เผาเขอตอนฝังก่อนฝังไม่อยู่ใต้ดินระวังอากานี้มันไม่มีถายเทนแน่นอนมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นอะไรด้วยคุณรภฆังนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้ามันเกิดหนาวลมกั็หนาวไปเรื่อยๆตลอด มันร้อนมันก็ร้อนไปเรื่อยๆตลอดไม่มีระบบระบายอากาศใดๆทั้งสิ้นอยู่ในที่แบบนั้นมันจะอยู่ได้เหรอก็อตายแล้วไงก็ถึงว่าเก็บแบบนี้แล้วถ้าเผาเนะเผาเป็นยังไงความร้อในที่ใส่เข้าไปมืดๆเลยผิวหนังเนี่ยมันก็จะแบบว่ า, าร่นเข้าร่นเข้าแล้วเก็บไว้ใต้ดินีนมันก็จะเน่าด้วย เวลาคนตายแล้วจะเกิดการเน่าจากข้างในทาไมตอนเป็นอยู่ไม่เน่าเพราะมันมีพวกเม็ดเลือดขาวพวกจุลินทรีย์คอยที่จะหล่อเลี้ยงกมจัดสิ่งสุกโปรโกอะไรต่างๆออกไปจากร่างกายจริงๆร่างกายของเราทุกวันเนี่ยทุวังโอ้คนนี้ยงเป็นอยู่เนี่ยนะก็เน่าแล้วนะทุกวันเนี้น เ, นเอาตื่นเช้ามาคุณออกไปทำงานนั่นนี่อากาศร้อนจัดปมตีหงอมันเหม็นนะ เหมนนี่ก็คือจะพวกแบคทีเรียนั่นแหละมันย่อยสลายสิ่งอะไรต่างๆในร่างกายของเราทีนี้เราทำยังไงอ่ะคุณก็อาบน้ำคุณก็กินอาหารคุณก็ถ่ายออกคุณก็หายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็การกำจัดของเสียทั้งสิ้นในร่างกายแต่คือยังมีชีวิตอยู่เขาเรียกแต่ที่ว่ามีชีวิตอยู่มันไม่ใช่าไม่ตายนะคือความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตเพระาะว่าทุกเซล มันมีอายุอย่างมากก็6ปี8ปีก่อนที่เซลล์มันจะตายมันก็คัดพี่ตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วมันก็ตายไปเรามีชีวิตอยู่ในเพราะว่ามันยังมีการหลอดเลี้ยงยังมีการเกิดใหม่ของเซลล์ในระบบอวัยวะต่างๆมีการกําจัดของเสียที่อยู่ในร่างกายมันจึงยังดูเป็นทรงอยู่ได้ดูยังเป็นรูปร่างเป็นคนอยู่ได้ ยังบว่าเออพอหอมๆหน่อยไม่เหม็นยังทํา ง, งานคิดอ่านนั่นนี่ได้แต่พอตายแล้วใช่ไหมท่านฟังไม่ได้ต่างกันอะพอตายปุ๊บเนี่ยบางร่างกายเนี่ยบางทีมันยังอุ่นๆอยู่ได้ซ้ําจับดู ย, ยังอุ่นๆอยู่แต่ว่าระบบการกําจัดของเสียเนี่ยมันไม่มีละหัวใจมันไม่ได้ปั๊มใช่ไหมเลือดมันก็ไม่ได้ไปฟอกอากาศมันก็ไม่ได้ถูกกําจัดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ พอเลือดมันไม่เดินกล้ามเนื้อ ข, ขยับไม่ได้ระบบอาหารก็หยุดทํางานการค้ำถ่ายของเสียก็ไม่มีเราก็ไม่ได้อาบน้ําล้างตัวต่างๆแบคทีเรียก็สะสมสะ ส, สมแบคทีเรียที่อยู่ในกายมันไม่ได้ถูกกําจัดออกไปมันก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นก็ส่งกลิ่นออกมาส่งกลิ่นออกมาอะไรมาก่อนมแมลงวันนี่แหละมาก่อนมันตามกลิ่นมาเลย หมายถึงแล้วนยังไงชอบเลยมแมลงวันก็ตอมเลยตูวตัวเรานี่พอตอนเหม็นๆบางทีไปเล่นกีฬาไปออกกําลังเหงื่อแตกมากๆแมลงวันมาตอมนะทําไมกําจัดมันออกไปไล่มันหนีไปตอมมากเข้ามากเข้ามันก็ไข่ใส่ไข่ใส่ไปตรงที่มันเหม็นๆเนี่ยมันเป็นอาหารของมันใช่ไหมละ่ะไข่ใส่ลงไปเสร็จปุ๊บมันก็โตขึ้นมาเป็นหนอน โดยวิธ้ไข่ ข, ขงังไอ้หนอนเนี่ยมันก็ชอนชัยแบบกลื้กล้วะตัวมันอยู่ในของโศโคร ก, ก็คือกายของเรานี่แหละมันก็กินอย่างสบายเลยหนอนก็เนี่ยกินเหงือเรากินน้ำเหลืองกินเลือดกินเนื้อเราฝังตัวอยู่ภายในเคยเห็นหาาึงมจำบ้างสัตว์เลี้ยงที่มันมีห น, นอนอยู่ตรงในเนื้อของมันคนมางกนก็เป็นโรคแบบนี้นกันนะ คือมีพวกประสิทธิ์พวกนี้อาศัยอยู่พอมแมลงวันมาขี้ไ ข, ข่ขางใส่เกิดหนอนขึ้นไต่ย้วเยี้ยมันทํางานร่วมกันกับแบคทีเรียมันชอบมากแบคทีเรียเนี่ยิ่งเจริญเติบโตอยู่ในสิ่งวดล้อมของหนอนเหล่านั้นนอนเหล่านั้นก็อาศัยแบคทีเรียยิ่งเจริญยิ่งกินอาหารอย่างดีการเจริญเติบโตของสิ่งนั้นมันก็ไต่ไปหมดเลย คือภายในเนี่ยมันอืดแล้วมันเน่าแล้วมันไม่ได้มีการกำจัดของเสียของเสียเหล่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นก็ อ, อืดขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นบองขึ้น น, นาตาเนี่นะดูไม่ได้เลยนะหนูฝังผิวหนังเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปเลยจากสีขาวขาวเหลืองเหลืองพอดูงามๆพอตายปุ๊บนี่มันจะเริ่มคล้ำขึ้นร่างกายก็จะบวมขึ้นบวมขึ้น เพราะว่าแบคทีเรียมันทำงานแล้วมันก็เพิ่มปริมาณมีก๊าซอยู่ภายในอัดขึ้นอัดขึ้นท้องก็ใหญ่ขึ้นหน้านี่ก็บวมขึ้นเหมือนถูกชกมาอย่างคนได้ไปทำสัลยกรรมทำจมูกบ้างทำหน้าบ้างฉีดฟิลเลอร์บ้างดูดไขมันบ้างทํานี่พางทีหน้านี่บวมเป่งขึ้นมาเลยนะก็มารีวิวให้ดูทำฟังสามเดือนนั้นกว่าจะหายหน้าถึงจะเป็นปกติ ต้องคอยดูดน้ำเหลืองคอยกำจัดเศษเลือดที่เปื้อนโอ้จีปาค่ะทีนี้ตายแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการกำจัดสิ่งเหล่านั้นใช่มะบวมขึ้นบวมขึ้นบวมขึ้นจนปากนี่ก็โตออกมาหูนี่ก็บานออกมาหน้าอกแขนขาจนถึงเท้าเนี่บานออกบานออกบวมขึ้นบวมขึ้นร่างกายเป็นอย่างนี้นะบวมแล้วมันก็แตกโอะ ตรงไหนแตกนอนก็ทะลักออกมานอนทะลักออกม า, มาแมลงวันก็มาตอ ม, มแมลงวันมาตอมก็ยิ่งขี้ใคร ข, า, ขางใส่แบคทีเรียก็ยิ่งเจริญเติบโตเต็มที่มันก็กินเงินอยู่ข้างในยิงตาสัตว์ใหญ่อย่างเช่นสุนัขจิ้งจอกฮีนา้าหรือแรงหรือนกเหยี่ยว ไ, ได้กลิ่นพวกนี้มันก็บินตามมาฉีกเนื้อกินบ้าง เขาก็ดู บ, บางส่วนไปแท้บ้างร่างกายของเราตายแล้วเนี่ยเหมือนถูกกระสับกระจายเน่าเละแยกเป็นชินช้นๆได้หรือถ้าจะมีคนรักษาไว้ไม่ให้แรงไม่ให้สุนัขจิ้งจอกมากินใช่ไหมมันก็เน่าก้อนเละอยู่นอนนี่ห้ามไม่ได้แน่นอนรำแมลงวันบินมาแต่ตามขี่ใส่แล้วไข่ ใ, ใส่แล้วก็เป็นหนอน เขาอธิบายไว้คำว่าร่างกายของเราพอตายแล้วเก็บไว้หนึ่งวันบ้างสองวันบ้างมันก็ขึ้นอืดมีน้ําเหลืองไหลเยิม้มแตกออกมีทั้งนอนทั้งไรไตยุ้เยืๆๆอยุ้ยเยือยู่เป็นร่างกายที่กอทอดทิง้งเวลาที่ป่าช้าผีดิบผีดิบเนี่ยมันคือยังไม่เผาถึงยังไม่สุก เขาทิ้งไว้เฉยทำไมอ่ะไม่มีเงินจะซื้อฟืนเผาศพโอ้ยมันก็ต้องไปทิ้งไว้เฉยทิ้งไว้หนึ่งวันบ้างสองวันบ้างขึ้นอื่นมีสีเขียวสีเหลืองน้ำเหลืองหลายเยิ้มต่อมาอีกนอนก็ทำหน้าที่ไตกันยั่วเยะบางที่มีสัตว์อื่นมีแรมกมาช่วยกันรุมกินบ้างก็จะกลายเป็นร่างกายที่มีชิ้นเนื้อติดอยู่ ยิ่งบเป็นทรงทรงวินร่างกายอยู่แต่ว่าร่างกายเนี่ยมันมันแตกออกแล้วไงเนื้อบางส่วนหายไปแล้วไงมีเลือดไหลยเยอะมีน้ำเหลืองไหลยเยอ้มแล้วไงปลยเวลาให้ผ่านไปอีกพวกร่างกายเหล่านั้นก็จะเหลือเป็นโครงที่ว่าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อมีเลือดเปื้อนอยู่ดูเป็นไม่ได้เป็นร่างกายคนละเป็นโครงกระดูกละ เพราะเนื้อในถูกกำจัดออกไปโดยการที่มีสัตว์มากินโดยน้อนมาเจาะชัยแต่ยังมีชิ้นเนื้อติดอยู่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่จุดไหนที่มีชิ้นเนื้อติดมีเลือดเปื้อนสัตว์อื่นที่มันผ่านมาจะเป็นน้อนเป็นอะไรเป็นสุนัขจิ้งจอก บ, บ้างเห็นพุดเมอ่อก็กินไปกินไปก็จะเป็นโครงกระดูกที่มีเลือดเปื้อนอยู่ชิ้นเนื้ออะไรต่างไม่มีแล้วนะ เวลาผ่านไปเอ้รอยเลือดมกระจางไปฝนตกบ้างอะไรบ้างก็เป็นโครงกระดูก ข, ขึ้นมาที่ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดเปื่อนอยู่แต่ว่ายังมีเอ็นเป็นเรื่องของรัฐยังเป็นทรงของร่างกายอยู่ทีนี้พอเวลาผ่านไปผ่านไปร้อนบ้างตอนกลางวันฝนตกบ้างแดดออกบ้างตอนกลางคืนก็เย็นบ้าง พกเส้นเอนเหล่านั้นก็จะเปื่อยขาดไปเส้นเอ็นที่ยึดโยงร่างกายอยู่ร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีผิวหนังอยู่ข้างนอกเห็นไหมหุ้มอยู่หุ้มอะไรอ่ะก็อะไรที่มันอยู่ข้างในมันก็เป็นเนื้อเป็นเลือดเราเอาเนื้อเลือดออกด้วยแล้วก็เห็นโครงกระดูกตั้งขึ้นไว้กระดูกไม่ได้เป็นชิ้นเดียวหรือวังแต่เป็นหลายๆชิ้นมาประกอบกัน หลายชิ้นมาประกอบกันนั้นเขาก็จึงได้เป็นโครงขึ้นมาก็เป็นโครงกระดูกสิ่งที่มันเชื่อมประกอบกันได้นั้นก็ด้วยเส้นเอ็นเส้นเอ็นเป็นเนื้อเยื่อสีขาวๆไ ข, ขมุกมีความเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีถูกแสงแดดถูกความร้อนความเย็นมันก็เปืยได้คนเปื่อยแตกออกแยกออกคาดออก ชินกระดูกก็จะเริ่มกระชัตกระสายไปเริ่มจากกระดูกมือกระดูกเท้าในหละก่อนแยกไปทางหนึ่งกระดูกแข้งกระดูกขาก็แยกไปอีกทางหนึ่งกระดูกสะเอวกระดูกสะโพกก็แยกไปทางหนึ่งกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงก็แยกไปอีกชุดหนึ่งกระโหลกศีรษะฟันแขนขามือเท้าก็แยกไปคนละทิศละทางเพราะว่าสิ้นเอ็นนี่มัน ขาดออกแล้วกระดูกก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นเรียรายอยู่กระดูกมัก็กองอยู่กระดูกมัก็แตกกระจายไปคนละที่ต่องทางเวลาผ่านไปผ่านไปนะกระดูกที่มันเป็นสีขาวมันก็เศร้ามองลงเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นที่มันแข็งแข็งหยุ่มก็เริ่มผูกกรอนผูก่รันดูไม่เป็นทรงแล้วมาเป็นชิ้นของกระดูก บางทีถึงขนาดว่าเปื่อยเป็นผงละเอียดเลยลำบากอะไรที่ว่าเราเห็นอยู่เป็นโครงกระดูกเนี่ยเพราะว่าอะไระทาไมบางทีไปคุดพบเจอนั่นคือในเรื่องของทางวัสดุศาสตร์ตีปอมันอาจจะมีแร่หรือสิ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้มันเข้าไปเก็บไว้รักษาอยู่ได้ยืดยาวกว่ากระดูกทัท่วไปแต่โดยทั่วไปแล้ว พอมันผูกออกผูกออกกระดูกก็จะเปื่อยเป็นผงละเอียดไม่มีเลยนะอา้าวกลายเป็นผงละเอียดไปหมดเลยคนที่อยู่เมื่อตกี้นี้พอตายแล้วอา้าวกลายเป็นหายไปไม่มีเลยยิ่งเท้าไปเผานลยท่านฟังยิ่งเร็วเลยกระบวนการนี้เนื้อเลือดถูกเผาออกเผาออกก็เป็นขี้เถ้าลงไปอวัยวะต่างๆ ถูกเผาถูกความร้อนไหมมันก็บทลงบทลงกลายเป็นเท่ากระดูกที่มันแข็งแข็งหน่อยมันก็เป็นฐานเป็นชิ้นแต่ดูไม่เป็นทรงแล้วว่าเป็นอะไรมันเป็นกระดูกชิ้นไหนพอกระดูกถูกเผาเนื้อเลือดถูกเผาอวัยวะถูกเผามันก็จะเหลือเศษซากของสิ่งที่ถูกเผานั่นแหละเทวธาตุก็เป็น ที่เท่าบ้างเป็นฐานบ้างสีดำบ้างสีเทาบ้างเราสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นๆเรามาบดให้มันละเอียดซะบดจนละเอียดเป็นผงนี่แล้วก็ให้เอาไปลอยในน้ํานี่ก็จะใช้คาว่าลอยอังคารลอยอังคารนี่ก็คือเอาเท้ากระดูกของบรรพบุบรุษที่เรเผาแล้วเนี่ยนะเป็นลอยในน้ํา ขุ่ ง, ง่ายๆเอาไปทิ้งน้ําให้ถูกกระแสน้ําที่เชี่ยวจัดพัดไปหรือว่าถ้าโปรยไปในลมก็ได้ให้กระแสลมที่พัดจัดพอเราโปรยขึ้นปุ๊บ ก, กระแสลมก็พัดขี้เท่าเศซซากระดูกเหล่านั้นไปแล้วร่างกายเราอยู่ไหนภาชนะที่เป็นภกนี้รักษาไว้เนี่ยมันอยู่ไหนโอ้หายไปแล้ว ดินก็กลับสู่ธาตุดินน้ำก็กลับสู่ธาตุน้ำลมไฟต่างๆก็กลับคืนสู่ที่ของเขาอแล้วมาได้ไงเนี่ยก็มาเพราะมารดาบิดาเป็นแดนเกิดไงมารดาบิดากินอาหารกินน้ำเข้าไปมีคันธภาพมาปฏิสนธิเกิดขึ้นก็เป็นใายของเราก็ธาตุาสีดินน้ำไฟลมนี่แหละมาใช้มนประกอบกเป็นตัวเราเรากินอาหาร เราเดินทางสิ่งเหล่านี้ก็ประกอบเข้าไปเป็นอวัยวะของเราเราหายใจออกมาทานลมก็ไปทานลมละเราหายใจเข้าไปทานลมก็มาประกอบในกายเราละเรากินอาหารเราทานอุจจาระปัสสาวะเหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนธาตุทั้งสี่ให้กายนี่มันทรงอยู่คงอยู่เป็นอินทรีย์คือชีวิตแต่พออินทรีย์คือชีวิตมันหายไปตายไปแล้วนะ ้าตสีละนี้ก็แตกกันไปแตกกันไปคือตายนั่นเอง้าตสีประกอบกันอยู่ในลักษณะที่เป็นชีวิตไม่ได้ตายแล้ว่ตาตก็แยกกันไปเหลืออะไรศูโบไม่เหลืออะไรก็แล้วยังไงเนี่ยพอตายแล้วก็หมดอย่างเงี้ยใช่ภพนี้มันก็จบแค่นี้ไงไอ้คอนเทนเนอร์ อาชนะที่ใส่พบนี้เอาไว้มันก็จบแค่นี้ในที่ทั้งกายทั้งรูปแต่คนเรามันประกอบด้วยรูปด้วยและนามด้วยไงด้วยกายที่เป็นรูปด้วยและนามที่เป็นใจด้วยใจตายไหมตายอยู่แล้วทุกวินาทีกายตายใจก็ตายได้กายตายได้รูปตายได้เกิดได้เหมือนกัน ประกอบเป็นเป็นช so ีว so ิตใหม่ก็มีได้ก็เด็กที่เกิดวันนี้อ่ะมันมาได้ไงมันก็มีกายไงก็ธาตุสีประกอบกันเป็นชีวิตก็เกิดได้จิตใจเราก็เหมือนกันน้ำฟังตายได้เกิดได้ดับได้เธาคิดว่าเอ้ยจิตใจมันต่อเนื่องต่อเนื่องแหมมันมันมันรวบไปนิดนึงแย่ๆดูให้ดีจิตใจเราสิ่งที่เป็นนามนี่มันดับได้มันเกิดได้มันดับได้มันเกิดได้มันดับได้มันเกิดได้ ถ้ามีเหตุแห่งความดับมันกวระเหตุมันดับไปมันก็ดับไปไงแต่ในเหตุการเกิดมันมีอยู่ด้วมันก็เกิดอีกเกิดได้ดับได้ทั้งหมดอะวิญญาณนี่ธรรมารมณ์นี่สุขทุกข์นี่สุขบ้างอย่างให้มันคงอยู่ตลอดไปมันก็ไม่อยู่มันก็ดับได้ทุกข์บางอย่างอย่าให้มันดับไปมันที่มันเกิดขึ้นมาอีกจิตใจเราก็ไปสเวยอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ตามความเกิดความดับจิตใจนั้นก็เกิดไปดับไปเกิดไปดับไป เกิดใหมดับใหมดับไปแล้วก็เกิดมาอีกลักษณะแบบเกิดเกิดดับดับนี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสหนึ่งฝังทําให้ถ้าเราแบบว่าเข้าใจคล้ายเพื่อนคิดว่ากระแสเป็นตัวตนหมายถึงมันยังมีอยู่คงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราดูให้ดีนะมันก็เกิดดับตลอดเวลานะมันไม่ได้ต่างอะไร ก, กับกายของเราที่ประกอบกันจากเซลล์ขึ้นมาเป็นอวัยวะเป็นชิ้นส่วน ต, ต่างๆเซลลมันก็ตายไปเกิดใหม่ตายไปเกิดใหม่ สุรซีในร่างกายที่มันต้องมาประกอบกันกับร่างกายของเราแล้วมันก็ตายไปนล้วมันก็เกิดใหม่เม็ดเลือดเนี่ยดูเอาเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงต่างๆก็าตายไปแล้วก็เกิดใหม่ประกอบกันเข้าเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งร่างกายของเราจิตก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเลยอยู่ในช่องทางใจดับปุ๊บเกิดเกิ ด, ดปุ๊บดับดับปุ๊บเกิดเกิดปุ๊บดับตามอะไรตามเงื่อนไขปัจจัยของมัน ในเงื่อนไขรปรัจจัยมันที่เกิดขึ้นดับไปดูเหมือนเป็นกระแสกระแสเนี่ยมันก็เชื่อมต่อต่อไปไงทีนี้เมื่อในความเมอนเป็นนามในความมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมามันก็ไม่ได้มีรูปที่เราจะเห็นจับต้องได้มันจึงไม่ได้มีการทิ้งเศษซากไว้เหมือนทางกายกายเนี่ยมันก็เกิดดับใช่ไหมเศษซากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ความตายก็เมันกับปรากฏออกมาเป็นเล็บบ้าง เป็นคี้ใครบ้างเป็นอุจราปัสสาวะบ้างเหล่านี้คือเศษซากความตายในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่พอตายแล้วเศษซากของร่างกายก็เป็นซากศพเผาบ้างฝังบ้างเปื่อยเป็นผงละเอียดไม่เหลืออะไรเศษซากนี้เขาก็ทำลายไปเพรมนเป็นต่างกายคืนสู่ธรรมชาติท้าสีดินน้ําไฟลม ในสิ่งที่เป็นนามาทำมันไม่ได้มีอะไรที่จับต้องได้แต่เศษซากของความเกิดของความดับในทางใจมันจึงมีการสะสมไว้เรียกว่าจิตแห่งดําฝังฝังใดีนะข้อนี้สำคัญนะจิตนี่เป็นสภาวะที่มีการสะสมสะสมกับอะไรของการเกิดดับไปสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปคล้องไปยึดไปดูไปเห็นไปแลไปเพลินไปพอใจนั่นแหละ เพลินพอใจทํานั่นนี่กรรมแงทำฟังกรรมสังขารการปรุงแต่งทางกายทางวาจาอะไรมันสะสมไว้ที่ไหนจิตไงจิตจึงเปลักษณะของการสังสมคืออะไรเป็นเศษซากที่เหลืออยู่ของการเกิดขึ้นการดับไปการกระทําต่างๆในทางใจลักษณะการสังสมนี่ก็จึงเป็นพฤติกรรมออกๆเรียกว่าอาสวะเป็นอุป น, นิสัยเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว กนนี้ก็มีนิสัยอย่างนี้กนนี้ก็เป็นนิสัยอย่างนี้ซึ่งไอจิตที่มันมีสภาวะแห่งการสั่งสมมันก็มีลักษณะที่จะไปยึดถือสิ่งเดินต่อไปยึดถือสิ่งเดินได้ทั้งทางนามและทางรูปทางนามก็เป็นการรับรู้เป็นการทักพระทางรูปหนึ่งเป็นธาตุสีคือจะรูปหยาบหรือรูปละเอียดละถ้ารูปละเอียดหน่อยก็เช่นเทวดาพรม สันนโรกเปรกพกนี้มีรูปละเอียดถ้ารูปยาบก็เป็นมนุษย์เป็นสันเดรสาณรูปยาหรือรูปละเอียดแล้วจิต ท, ที่มีลักษณะสังสมไว้ว่าเออจะได้เห็นสุขมากหรือทุกข์มากก็จะไปตามนั้นอีกถ้าสุขมากก็จะผ่านทางเทวดามนุษย์ที่มีอัญจกีนหรือปรมถ้าทุกข์มากก็จะ ผ่านทางสัตว์โรกเป็นเ ป, นปรตเป็นอสุรกายพวกนี้การยาการลเอียดมีหมดสุขหรือทุกข์ก็ถูกกำหนดขึ้นจากสภาวะการสังสมของจิตของเราสังสมเป็นไงนะทำอะไรนะกรรมไงดีก็ให้ผลเป็นสุขชั่วก็ให้ผลเป็นทุกข์เพราะเราตระหนักถึงข้อนี้นะหวังว่าอ๋อตายแล้วโอเค ทุกก็มีทุกก็มีเราจะไปไหนเอาเราจะไปทางสว่างแล้วมันจะได้เเกิดสุขอยู่อย่างไม่ประมาททันทีอยู่อย่างทาความดีทันทีอยู่อย่างให้ทานอยู่อย่างทาสมาธิอยู่อย่างรู้จักรักษาศีลอยู่อย่างไม่เบียดเบียนอันนี้ไปทางสว่างนี่เวลาเราพิจนารณาความตายดูหวัง เราจะเห็นช่องทางของความเป็นอยู่ทันทีทางที่จะสว่างที่จะไปดีได้เห็นได้นั่นเป็นทางที่เราจะไปนึกฝันในการพิจารณามานันละสตินั้นจะไม่เกิดปัญญาจะไม่เกิดความไม่ประมาทจะไม่เราเห็นช่องทางของการที่เราจะดำเนินชีวิตไปเพราะอะไรนะสว่างระหว่างปัญญา ปัญญาเป็นดังแสงสว่างที่จะนำทางเราไปตามทางความดีก็สู่ที่กเกษมที่ปลอดภัยได้นั่นเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณาสติในช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย ช่วงจิตต ว, วิเวกนั้นก็จะมาพบกับธํามฟังเป็นประจมในทุกวันอังคารทางวิทยุ ก, ก็คือตั้งแต่ตี5ถึง6กโมงเชา้าทํามฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในทั้งระบบพอดแคสต์ Podcast, ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะ Facebook หรือ YouTube โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบุ์กับพี่ปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ แรืบาน